Bye. มาลบทำสู่กันฟังเพื่อให้ก้าวหน้าไม่ท้อถอยเดินไปเรื่อยๆก้าวไปเรื่อยๆมีศรัทธาไปเรื่อยๆมีความเพียรไปเรื่อยๆมีสติไปเรื่อยๆมีความมั่นคงไปเรื่อยมีปัญญาไปเรื่อยเหมือน ล, อดลด่อรถพิ้งไปสู่ไปถึงจุดหมายปลายทาง ชีวิตของเราก็ไม่ทอดถอยไม่ถอยหลังจากลู้น้อยให้เป็นลู่เาก็้จากความหลงให้เป็นความรู้เพิ่มขึน้นเอาความหลงเป็นความรู้เอาปัญหาเป็นปัญญาคนพู้ทางานต้องเห็นปัญหาคนพูดมีสติต้องเห็นความหลงก็ไม่รู้ไม่ชึกษาก็ไม่ได้ความรู้ความเยอะหน่าไรจึง ปัญหาต่างๆไปแื้วเราทำมาเพราต้องผ่านความเด็ดเหนี่ยเมื่อไล่ะผิดผิดถูกผลผิดเป็นโครื่อยไปาการปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันส้างสติมาไม่ใช่จะได้สติมันได้ความหลงมาแสงหน้าแสงหลังความผิดความถูกความพอใจความไม่พอใจดึงหน้าดึงหลังเหตุผล หมกมุ่นคุณคิดอะไรต่างๆเกิดขึ้นขณะที่เราสร้งสติมีมากสติมัจะาเจงก็สามารถก็ต้องเมื่อมันเห็นอุปสรรคต่างๆมาไม่มีบาลมีไม่แจ่เราจังต้องฝึกฝนตนเดิงผู้ที่ฝึกตนเดองถ้าฝึกกับความยากก็มีความเชื่มแสียงมืนกับพระเอก เขาต้องสู้กับความยากได้เขาจึงชื่อพระเอกพระโพธิสัตว์ก็ต้องสู้กับความยากลําบากจึงชื่อว่าโพธิสัตว์ความเป็นพระก็ต้องสู้กับมารต่างๆอย่าท้อถอยไม่มีใครจะได้เลยมาโดยไม่มีการต่อสู้โดยจึงผูกผลตนแองการผูกตนเนี่ยมันก็เลื่อนฐานะได้จากคนเป็นคนกลเป็นมนุษย์แต่คนเป็นมนุษย์ ตายเป็นเทวดาได้เป็นอินเป็นพรมเป็นพระได้ที่สุดถ้าไม่เปิดก็วนเวียนอยู่ในความเป็นคนคุ้มล่อยคุ้มดีฟู ฟ, ฟูแพบแพบหลายอย่างเราอยู่ในฐานะแบบใดชีวิตเราบางทีมันต่ำลงไปชิดไปทางต่ำก็เรียกว่าคนทำไปทางต่ำต่ำ พูดไปทางต่ำๆเรียกว่าไปทาสู่ความเป็นคนเรื่อยไปปนเปนกันเรื่อยไปเราคิดไปทางสูงๆก็เรียกว่ามนุษย์มนุษย์นี่เป็นพระได้ฉั้นเราไปขอบวชนุษย์โซสิอุปชาถามเป็นมนุษย์หรื อ, อยังอามาพันเตเป็นมนุษย์แล้วใจสูงแล้วตัดสินใจแล้วถ้าอธิพันเตยังไม่เป็นมนุษย์ก็บวชไม่ได้ มนุษย์เีเป็นพระได้เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งโยงมีดีที่เว้าขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนเอาใจเป็นที่พัดกันไม่ใช่เอาขาสองแขนสองร่างกายเป็นคนเป็นมนุษย์แต่ว่าใจเป็นเตจก็ไม่ร่างกายเป็นคนแต่ว่าใจเป็นอสุรกายก็ไม่ร่างกายเป็นคนใจเป็นจัดในยฉานก็ไม่ ไม่ใช่เอาเครื่อง น, นี้มาวัดกันเอาน้ําใจน้ําจิตน้ําใจเชื่งว่าฝึกหัดอย่าประมาทคนนี่ต้องมีศาสนามีการฝึกงพันตนไม่เหมือนสัเดชาสัวเดฉาเขาไม่ตกนรกเขาไม่เป็นเปรตไม่เป็นสุรกายไม่เป็นภุมิยันต่ําำเขาก็ต่ําอยู่แล้วแต่คนเราเนี่ยถ้าไม่หัดก็กไปเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์นร ก, รกได้ เพราะมันมีสมองมีปัญญามีเฉโกมีอวิชชาเป็นเครื่องปิดบังได้ความคิดความเห็นทำได้ต่างๆนานาเอาระเบิดไปเหิียฆ่ากันก็ได้เอาปืนไปยิงกันก็ได้ฆ่าตัวเองก็ได้อย่างอ่านหนังสือพิมพ์มู่วานเน่พ่อพ่อลูก่ายุสองขวบเอาลูกไปแขวนคอใสอยตอนไ่้ ตายแล้วก็แขนขอตัวเองตายไปตามกันนะสัตว์ดิฉันทํางนั้นไม่เป็นเลยแต่คนเรามันทําได้จึงไม่ประมาททาอะไรมันไปรบกวเทียนทำให้แผ่นดินไหวก็ได้คนเรานะี่ะทําให้เสื่อมก็ได้เพราะมันไม่อะไรหลายอย่างต่าไหม ก, ก็หมดมน้ำก็ล่มป่วยแผ่นดินเป็นธรรมชาตอากาศเป็นทิศเพราะคนนี้ จนถึ น, นกับว่าอากาศเป็นเรื่องกระจกใช่อะไรที่มันเกิดจากความรู้ความคิดเห็นของคนแล้วก็ทำดีแต่พะเราไม่ได้มันก็ไปไมารอดเราต้องช่วยช่วยกันสอนกันบอกกันชวนกันไปชวนกันมามีการพูดกันฟังบ้างมีการทำให้กันดูบ้างมีสถานที่พอที่ได้เป็น เพื่ออาศัยด้วยหารกันยินด้วยช่วยกันเราจะมาฝึกหัดประมาทประมาทในวัยประมาทในเพศประมาทในความไม่เป็นโลกในวนัยนี่มันไม่ใช่วัยเดียวมันไหลเรื่อยไปสู่ความแจกความเก็บความตายความไม่วิโรกมันก็จะมีโรคได้แต่มันไม่อยู่นิ่งชีวิตของเรามันไปเรื่อย มันหนีจากเราไปเรื่อยเราจึงใช้ชีวิตของเราที่มันมีอยู่นี่พอมันใช้ได้เอามาสร้างความดีให้มีความดีเป็นที่พึ่งมีจิตมีใจที่มันฝึกหัดที่มันดีแล้วมันพึ่งได้พึ่งได้ไปสวรรค์นิพพานได้ให้เหมือนสัตว์เดรัจฉานเราก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่แต่คนเรานี่ไปถึงมรรคผลนิพพานได้เพราะมันมีจิตมีใจมีปัญญา วิชากายเป็นวิชาไปได้ความโง่หลงเป็นปัญญาไปได้ถ้าเราอาศัยการฝึกตนเอาบทเรียนจากความผิดเอาบทเรียนจากความถูกเอาบทเรียนจากความหลงเอาบทเรียนจากความทุกข์ย่อยความทุกข์มันเป็นความทุกข์ฟรีๆอย่าให้ความหลงเอาไปกินฟรีด้จักใช้ความหลงให้เป็นประโยชน์มันก็มีอยู่ความหลงก็มีความทุกข์ก็มีความโกรธก็มีเรา เปลี่ยนแปลงได้ไหมหัดเปลี่ยนแปลงการหัดเปลี่ยนแปลงความผิดเป็นความถูกเขาเรียกว่าภาวนาหัดเปลี่ยนแปลงความทุกข์ให้เป็นทุกข์เรียว่าภาวนาหัดเปลี่ยนแปลงความหลงให้เป็นความรู้ก็เรียกวา่าภาวนาหัดเปลี่ยนแปลงความไม่รู้ให้เป็นความรู้เรียว่าภาวนาเหมือนกันภาวนาเป็นการก้าวหน้าเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีทุกกรณีได้ชีวิตเราไม่ใช่อยู่นิ่งสุข ลุกดิลุกลนความคิดก็ไม่คิดเรื่องเดีวสารพัดอย่างเราจึงต้องดูแลเรื่างสุขสนบางทีก็พอใจในความผิดพอใจในความทุกข์เรื่าสุขส น, สนงั้นเจ้าเลี้งสุขสนุนพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบในนิทานธรรมมีเลีง้งอยู่ในป่าฝูงหนึ่งเลียงตัวหนึ่งสุขสน ไม่ม่เปลี่นไมเบียบเหมือนหมูพอขึ้นตนไม้ก็ชอบขึ้นตนไม้ที่ไม่มีกิ่งก้านสาขาขึ้นตนไมเ้เดียวเดียวเขี่ยวกระโดดโดดเท็ดเที่ยวไปตามหน้าผาตามหัวเขวไม่ไปตามพื้นไ ม, ม้ตามตาเตี้ยเตี้ยหมูห้ามก็ไม่ฟังเพราะตัวเองสุกสน่อไปไปเห็นหนายพรานดักหน่วงดักตากาว้นก็รู้ว่ามันเหนียว เราะฉะสตวอื่นติดอยู่บ้านพวกนกเลงเจ้าสุกสนก็ระจับดู่ระจับโด่มันก็ติดมือข้างหนึ่งเอามือข้างที่สองไปแกะออกมันก็ติดข้างที่สองอีกเอาขาข้างที่หนึ่งไปยันออกก็ติดขาข้างหนึ่งก็ติดขาข้างที่สองไปยันเดอกก็ขาข้างที่สองก็ติดเอาปากไปกวาดจะกคาบออกก็ติดปากเข้าไเรียกว่าเลีงติดตัง เผยสดนายผ่านบาก็เอาไปล่าขคนที่หัวาจาเลยเป็นอาหารของเขาเราก็ซุกสนมานเราไปกินอยู่เรื่อยพิเลตมานขันน้ำมันมัจจมานเกิดดับเกิดดับโตเล่าทุกเอกหลงเล่าหลงอีกเราจึงประมาทไม่ได้นาดูแลตัวเองให้คุ้มปฏิบัติธรรมก็คือดูแลตัวเองอย่าปล่อยปะละเลย น, น้ำมีถาวรน้มีธาต ปารถีธาตุคือธาตุดินโภูธาตุคือธาตุน้ำติโจธาตุคือธาตุไฟปาอยู่ธาตุคือธาตุลมอากาศธาตุเคยต้องว่างมีนาการวิญญาณธาตุคือความรู้อะไรได้มันก็มีตามีหูมีจ ม, มูกไปลิ้นมีกายมีใจมีวิญญาณทางตาพอตาเห็นโลกก็เห็นได้ถ้าเห็นแล้วก็มีพัฒนาต้นนั้น อ้ามีอะไรเข้าไปรองรับถ้ามีาวิชาเข้าไปรองรับก็แสดงออกในทางปรุงปุงแต่งๆพอใจไม่พอใจหมูก็มีวิญญาณวิญญาณธาตุแต่ว่าไปได้ยินเสียงขณะที่ไปยินเสียงมันมีอวิชชาไปรองรับมีสมมติประหยัดเข้าไปเจาะห้องสมมติว่าดีว่าไม่ดีว่าชอบว่าไม่ชอบก็เกิดปัญหาเกิดมานตรงนั้นนะ่ะนี้จะโหมดิน้นกายใจเหมือนกัน นั่นก็ไปกันไกลเป็นพบเป็นชาติอยู่กับตากับหูกับจมูกกับเลี้ยงกับปากับใจได้บางทีตกนรกตรงนัน้นเป็นเปรตตรงนั้นเป็นชุ่วร้ายตรงนั้นเป็นเหลี่ยนตรงนั้นแต่ไม่เปลือกถ้าบุหัดมันก็สักแต่ว่าเพราะมีสติถ้าไม่มีสติก็มีความหลงก็ไปเจอกล้องมันเปลี่ยนกันที่ของเราเนี่ยโลกนี้มันมีเหตุปัจจัยที่เกิดความหลงหลายอย่าง สื่อสารมวนชนเราเื้อเอาท่องฟ้าเสื้อดาวเทียมเพื่อเอาผลประโยชน์ทำให้คนหลงววนชนให้คนรู้มีไม่มากต้องเรียนมีน้อยกว่าแหล่งอามบายมุกสโสเพณีมีมากกว่าหมอเพื่อไม่สมดุลกันแม้แต่เราเนี่ยวันเดึกเราหลงหรือเรารู้มากกว่ากันตั้งแต่เราก็มี ในฐานเป็นความหลงมากแล้วแต่รับกับความลูกอย่างมันหลงไปชีวิตเรามาถึงวันนี้มีความลูกหรือว่ามีความหลงมากกว่ากันดูซิอะไทำง่ายประมาทอยู่หรือแล้วก็ต้องศึกษาตัวเองว่าให้ให้ใหตรวจตาตรวจสอบให้โปร่งใสอย่าปิดบังอำพรางตัวเองหุ่วุ่นคุณนชิด มีสติมี ส, สัมผัสะคอยขี้เตืองตักเตือนว่ากล่าตัวเองถ้าสอนตัวแดงเตือนตัวแดงเรียกว่าบันดิตถ้าไม่รู้จักเตือนตัวแดงเรียกว่าผลผ่านจากคกผลผ่านให้คบบันดิตผลผ่านอยู่กับเรานี้คิดไปทางต่ำมาชิดได้คิดไปทางดีมันทวนกระแสะแล้วก็จะเป็นชีวิตที่ทวนกระแสะเช่นความขี้เกียด มันก็ไหลไปตามความเพี้ยเกียนความขยันมันทวนสักหน่อยมันต้องสู้สักหน่อยก็ต้องถอดต้องพายตัวเองความเกียดท่านไม่ก้าวหน้านอนเตืนสายจเจริญลงโบราณท่านยังว่าพายเสร็จพ่ออย่าลังรอพายตะวันจะสายตลาดจะวายสายบัวจะเนา่ามันสายเป็นมันเน่าเป็นเป็นใช่มาได้ในตา ก, ก็เน่าเป็นในหัวก็เน่าเป็นจะมูกเรื่องกายจะจก็เน่าเป็น ใช่เลยก็มันได้ผลที่จุดก็ในกายในตาในหูเนะี่ยมันจะลงโทษเราในใจด้วยน้องตาไปเห็นคนเจรือเบอร์น้องวัวแดงนะี่ะเขาล่ำโซ่ไว้มันหลงมือนี่ไปคว้า อ, าอะไรเอาไวเขี้ยวอย่างไงไปไหนว่าแต่มือไปทำมาเลยเอาไวเขี้ยวไม่ว่างปากเลยเอาไม้ก็ไม่มาเขี้ยวเอาผุ่นเ ด, ดินมาเขี้ยวเอาผ้าเอาผอนเสกมาเขี้ยว เอาเลยมัดมือไว้มัดมืออยู่ก็ยังไปแกกกระดานเนี่ยแกย่นนะั้นอยู่ไม่เป็นมือนะไอ้คนแกะนะ่มากกว่าแมาแม่สองคำเลยจนอย่างนั้นเลปีหนึงง่งหลวงแม่ป่วยไปอยู่กับแม่ที่บ้านมีคนแก่อยู่ในบ้านนะสักวันกันเท่าไปร่ตามบ้านไปไปขอขอเงินช่วยปวดหายแากว่าคนเท่าไปก็มาขอเงินที่บ้าน น้องก็าเอาเงินไปขอดใส่ผ้าให้เสมัดใส่ผ้าให้ก็ยืนอยูย่สูให้กูหรือกูขอเงินสูสักบาทก็ไม่ให้หนอเอามาใหญ่อ่าหนูเอาไปให้แล้วเอามัดใส่ผ้าไว้นั่นน่ะดีตัวนึกว่าสูไม่ให้กูบาขอญาติลูกหลานาก็ก็อายคนเอามัดโซชยหรืออะไรไม่ให้ไปไหนไป ปานั่นนะคนนะ่ะมันหลงขนาดนั่นอนะ่ะอันสัตว์นี่มันไม่หลงปานั่นนะอันคนนี่มันหลงจนถ้าตัวตายข่าคนอื่นได้ทำให้ตัวองเดือดร้อนคนเนี่ยมัน จ, นนนงนนนนจึงมีสศาสนามีศีลมีธรรมม่รู้ ว, ว่ล่องว่ายหัดไว้หัดไว้เตือนตนสอนตนไม่ใช่เราจะไม่เจ่ไม่เจ็บ ไ, ไม่เท่ามันมีแน่นอน ถ้าเราหัดมันก็ไม่ไม่มีแหละการเกิดเจเจ็บตายแลย้วไม่หัดมันแน่นอนที่สุดเรามีทุกข์เป็นเมื่อหน้าแล้วเราถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทํำจะไหนกันทําที่สุดแห่งก og ทุกข์กทั้งเช่นนี้จะเพิ่งปรากฏจจเจ้าเจริได้อาาุทิศอานันท์ต่างสำมาสา่งต่ า, างอุทิศทําเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างงอกจากมันก็มีเหล่าพสาวก จนมาถึงพวกเราเนะี่ยจะมีวัด ว, มมว่าอารามีพระสงฆ์มีการพูดอยู่เดี๋ยวนี้นั่งอยู่เดี๋ยวนี้เสียงพูดก็ได้ยินอยู่ในนี้อย่างที่พูดนี่เป็นเรื่องของคนเราจะเรื่องนิยายมาจากไหนเรื่องกายเรื่องใจเรานี้ความหลงก็เห็นไหมความไม่หลงมีไหมความทุกข์มีไหมความไม่ทุกข์มีไหมทำมานทำการแบบนี้ไหม หรือมีแต่ความเลิกความชังเยี่ยชาเบียดเวียนกันจะอยู่กันได้ไง่ายเอาล้วก็เดือดร้อนถ้าไม่ช่วยกันจึงจำเป็นก็ เ, เลยมีนักปวดเพื่อผดขวนตนเองมาขอสมคูคนขอทำธุระอันนี้เอาะชอยู่จากบนนั่งพูดศึกษาจนแทบจะเป็นจะตายเพราะเห็นปัญหา พอเห็นทิศทางก็เรามาบอกมาสอนจนไม่มีเวลาท ร, รมาหาจีนมาใชชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ก็มาอยู่อย่างนี้พวกเราก็มามาได้เนี่ยนะไม่ใช่ไม่ได้การนักึกอย่างนี้ช่วช่างสวัสดิ์หูช่วงงูได้ปลีนได้ยินแล้วไปทำดูสอนให้ทำสอนให้เอาไปทาพูดให้ออาไปทำ ไม่ใช่พูดใงจำอันจำนี่อย่าไปจำศึกษาทำไม่ใช่เรื่องจำเหมือนกับเราเรียนผ่านในร่วมหายใหญมาอันนั้นจาอันนี้เอาไปทำให้มันเป็นมันหลงให้ทำให้เป็นให้มันรู้มันทุกข์ทำให้เป็นให้มันไม่ทุกข์ทำจนเป็นทำเป็นแล้วจนไม่มีอะไรทำกายในใจนี้ลูกหมดลูกควบลูกท้วน ชาติสิ้นแล้วผมมหัจัอยู่จบแล้วจิตอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วมันจบเป็นเรียนกายเรียนใจไ ม, ไม่เหมือนเรียนวิชาการเรืน่นงต่างวิทยาศาสตร์อั้งจบไม่เป็นข้นคั้วอยู่เรื่อยอนั่นก็มีผู้เรียนจนเป็นที่อาศัยของพวกเราได้เรียนแพทย์เรียนหมอเรียนอะไรต่างๆเรียนอาศัยได้แต่ว่าการอาศัย กายใจตัวเนี่ยเอามาเป็นพ่วงเป็นแพรเพื่อข้ามผ่านหาเนี่ยเราต้องเรีอนที่กายที่ใจนี้จีบันนายกายเหมือนเรือเอาใส่กายเพื่อข้ามพ้นถ้าไม่มีกายไม่มีรูปก็ทําดีไม่ได้ไม่มีนามเดี๋ยวได้มีรูปมีนามมีกายมีใจนี้เราจึงเป็นมนุษย์สมบัติแล้วเอามาละความชั่วมาทําความดีได้